นี่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ผมจะมีโอกาสได้มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์จะมาสอนทำอะไรหรอกนะการที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือที่ใดก็ตามเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อเป็นการแสวงหาที่พึ่งทางด้านจิตใจที่พึ่งทางใจนี่ มันหายากเดี๋ยวนี้เรามากาักจะใช้ที่พึ่งทางด้านจิตใจในผิดผิดทางร้ายแห่งไปพึ่งสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเนี่ยก็พึ่งได้ช่วยครูช่วยาม น, นะแค่ให้กำลังใจเท่านั้นนะอย่างเช่นว่าสมัยเนี่ยเราเห็นว่ามีการแจกจ่ายจำหน่ายวัตถุมงคลมากมายไปที่ไหนก็คล้องกันคอ ง, งํา อันนั้นก็เป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งภายนอกก็บางทีมีการทะเลาะเบาแว้งกันตีกันยิงกันคนหนึ่งตายอีกคนนึงติดคุกไอ้ที่ครองน่ะรอดได้เพื่อที่จะห้อยน่ะรอดไปแต่คนที่ครองน่ะตายกับติดคุกมันเป็นที่พึ่งที่มันอาสัยได้ชั่วคราวแค่เพียงให้กําลังใจเท่านั้นแหะหลังจากนั้นไปแล้วนี่ เราต้องช่วยตั ว, ตวเองทั้งนั้นเราเป็นชาวพุทธเราสมาทานว่าพุทธทางสระนงังคฉามิเขาพระเจ้าขอถึง พ, พง ร, งระาาพุทธเป็นที่พึง่งที่ระลึกธรรมบงสระนังคฉามิเขาพระเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังขังสระนังคฉามิเขาพระเจ้าขอถึงตึ่งพระสงฆ์เนีเป็นที่พึง่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม ก็เพื่อให้เป็นการตอกย้ำว่าชาวพุทธเนี่ยจะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรยัยอันนี้คือถือว่าเป็นชาวพุทธแต่สิ่งภายนอกนั้นไม่ใช่ที่พึ่งดีแท้จริงหรอกพระโตตรองสอนว่าที่พึ่งดีแท้จริงนั้นเราต้องทําเอาเองตีเขาเรียกว่าอะไรสันทิฏิโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไปขออ้อนวอนไม่ได้หรอก ได้ขอนะอาจจะไม่ได้อย่างที่เราขอก็ได้เพราะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นการมาหาที่พึ่งทางด้านจิตใจต้องทำมาเองใครก็ให้ไม่ได้เรามาปฏิบัติถึงวันนี้แล้วนี่มีใครรู้สึกที่จะพอแท้ใจบ้างไหมเบื่อบ้างไหมเนี่ยหรือใครขี้เกียจแล้วอุปสรรคสำคัญของนักปฏิบัตินี่นะมีอยู่สองทาง ระแรกคือความทอ้อแท้หมดกาลังใจพอเกิดการทอร้อแท้หมดกำลังใจเนี่ยมันก็ขี้เกียจละทีนี้ก็จะคิดฟุ้งซ่านผลการปฏิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมสร้างเหตุแต่ไปสร้างเหตุอีกแบบหนึ่งคือการที่จะเบื่อหน่ายในการปฏิบัติอันนี้ไม่ได้ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งก็คือตั้งใจมากเกินไป เขาเรียกเป็นตันหาตั้งใจมากเกินไปนี่ก็ไม่เห็นธรรมะนะการที่เราตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันเป็นตันหาที่ผลักดันให้เราปฏิบัติเราจะมีการเพ่งบังคับกดคมอันนี้ก็มีผลทำให้จิตใจเนี่ยมันเครียดปวดริษะบางทีนอนไม่หลับอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้ด่านจิตใจนะและมีผลท่านร่างกายเนี่ยแต ปวดเมื่อยตามมือตามตัวปวดต้นคอถ้าปวดแขนนี่ธรรมดานะา เ, ามาเมื่อเรายกมายกมือก็ปวดแขนถ้าเกร็งเกินไปตั้งใจเกินไปเนี่ยมันจะเกรงที่คอจะปวดตามลําคอปวดหัวไหล่อันนี้เวลาเราตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันจะมีผลที่ไม่ดีการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องท้อแท้และก็ไม่ต้องตั้งใจมากเกินไปทําแบบสบายๆแบบผ่อนคลายสัหน่อยจดสติไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ เรื่อยๆคื อ, อยังไงคือแค่รู้สึกเฉยๆเท่านั้นรู้เฉยๆรู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งหรือไปบังคับอะไรพลิกมือรู้สึกก็ใช้ได้ลยกมือรู้สึกก็ใช้ได้จะก้าวเท้าแต่ละก้าวให้รู้สึกใช้ได้ก้มกราบรู้สึกการดื่มให้รู้สึกการเคี้ยวให้รู้สึก ตรงไหนที่มันเผลอไม่รู้ก็ไม่เป็นไรปล่อยมันผ่านไปรู้ตรงที่เรารู้ได้แล้วรู้เบาๆแบบผ่านๆอย่าไปเพ่งอย่าไปบังคับทําแบบสบายๆแบบผ่อนอๆนคลายๆทําเล่นๆแต่ทําเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่อยๆเก็บสะสมความรู้ตัวไปเล็ก ๆ, ๆน้อยๆตั้งแต่วันนี้จะถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติคือแค่รู้สึกเฉยๆทาแค่นีน้อย่าไปกังวลว่าเราจะทําผิด อย่าไปกลัวทําผิดไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกสัดจะทำผิดถูกเป็นเรื่องของสมมุติมีแค่เพียงว่าเรารู้ทันหรือรู้ไม่ทันเท่านั้นน้าสมมติว่าเราคิดว่ามันผิดอ๋อนี่เราทํามันผิดนะผิดรู้ว่าผิดนี่ก็ใช้ได้แล้วถือว่ารู้สึกตัวแล้วอย่าไปกังวลว่ามันจะผิดจะถูกต้องกล้าทําทําไปเลยบางเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แค่นั้นจบอยู่เพียงแค่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่กายที่ใจเรา แล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องตำลาเรื่องคนนู้นคนนี้จะสอนว่ายังไงอย่าไปกังวลสิ่งที่รู้มาแล้วเนี่ยก็อย่าไปกังวลอันนั้นยังไม่ใช่ของจริงหรอกไม่ใช่ปัจจุบันปัจจุบันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและมีสติรู้ให้ทันเท่านั้นอย่าไปกังวลว่าจะผิดหรือว่าจะไม่ตรงกับตำราตำราเป็นเพียงแค่เขียนเอาไว้ถูกแล้วแต่ตัวปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําเอาเองเราปฏิบัติได้ไขไาดแค่นั้นอันนี้จริงกว่าปัจจุบันกว่า การปฏิบัติเนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันรู้สึกอยู่กับปัจจุบันอันนี้ถูกที่สุดเลยการมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะตัดความคิดนะเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราอย่าไปเจีตนาคิดอะไรไม่ต้องเกีตนาคิดอะไรมันสบายเลยมันผ่อนคลายมากคือไม่ต้องคิดอะไรอาวุธสำคัญคือแค่รู้สึกตัวเนี่ยเราอยู่บ้านเราทำงานเราคิดมามากแล้วอยู่ที่นี่เราจะพักผ่อนทนัานจิตใจ เรามาเพื่อพักผ่อนทั้งนั้นจิตใจคือไม่ต้องใช้ความคิดเราคิดมาเยอะแล้วเมาอยู่กับขอฉันเนี่ยเราอยู่กับสติอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยเราอย่านําเรื่องที่บ้านมาคิดปัญหาที่นี่ก็มีมากอยู่แล้วนะในการปฏิบัติเราไปเอาปัญหาทางบ้านเอามาคิดด้วยเนี่ยจิตใจเราจะรกไปด้วยจิตใจที่มีปัญหาเหมือนขยะที่ปัจจุบันนี้ก็มีขยะที่นู่นก็มีขยะเอามารวมกันอดีตปัจจุบันขยะสองอย่างรวมกันก็เต็มไปหมด มันจะมีปัญหามาดังนั้นอย่าไปเจตนาคิดอะไรเรื่องอดีตก็ปล่อยมันผ่านไปเรื่องอนาคตเนี่ยคือการนับบันรอว่าเหลืออีกกี่วันอย่าไปนับบันนะยิ่งนับบันจะยิ่งนานอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้ผู้สูงอายุไม่จะคิดถึงอดีตนักโทษไม่จะคิดถึงอนาคตนักปฏิบัติธรรมต้องอยู่กับปัจจุบันสติจะเกิดขึ้นความคิดจะไม่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์นะการปฏิบัติธรรมชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ย ดีมากเลยจิตมันจะเป็นปกติจะไม่ค่อยวันไวกับอะไรธรรมะจะเกิดขึ้นต้องที่เฉพาะหน้าถ้านอกจากปัจจุบันแล้วเนี่ยเป็นความคิดทางนั้นเลยถ้าเป็นความคิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติมันเป็นเขาเรียกว่าจินตามยาปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดนึกแต่ถ้าตัวปฏิบัติต้องเกิดขึ้นเฉพาะหน้า อ, อย่างเช่นการมีสติรู้กา ย, เ, ยเราจะปฏิบัติผิดหรือจะปฏิบัติถูกก็อยู่นี่นะ ตรงที่เราจะมีสติรู้กายก็ได้รู้จิตที่มันคิดก็ได้รู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันนี้ ก, การปฏิบัติที่ถูกต้องอย่าไปกังวลถ้ารู้กายได้ก็ใช้ได้ถ้ารู้จิตมันคิดได้ก็ใช้ได้ถ้าอยู่กับปัจจุบันได้ก็ใช้ได้ให้มีตัวรู้เป็นหลักเอาไว้เท่านั้นางเช่นรู้กายเนี่ยเราพริกมือรู้สึกอันนี้ปัจจุบันแล้วการจะอยู่กับปัจจุบันได้นานนั้นจะอยู่ที e ่กาย อยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่กับปฏิบัติได้นานมากสติจะตั้งมั่นอยู่กับกายเนี่ยตั้งได้นานการเดินจงกรมการยกมือสร้างจาังหวะสติจะเกิดขึ้นในนานถ้ามีสติรู้กายแล้วก็เห็นทุกข์ได้ง่า ย, ายทุกข์ของกายเนี่ยเห็นได้บ่อยๆทุกครั้งที่รู้กายเนี่ยเราจะเห็นทุกเห็นทุกเนี่ยเห็นธรรมนะแต่ว่าเราอย่าเข้าไปอยู่ในความทุกข์เป็นผู้เห็นซะก็เห็นธรรม ถ้ารู้กายเนี่ยเห็นทุกข์ได้ง่ายๆถ้ามีกายอย่าหมายว่าจะมีความสุขมีความทุกข์เห็นเสมอเสมอเห็นทุกข์นะแต่ไม่ให้ไปเป็นทุกข์ให้ทุกข์เป็นเรื่องของกายจิตใจเป็นเลี้ยงแค่ผู้ดูผู้เห็นเห็นกายบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นรูปเห็นนามเนี่ยจะเกิดปัญญามากเมื่อเราเห็นกายแต่เราว่าไม่ใช่มีเฉพาะกายอย่างเดียวนะเรายังมีจิตมีความคิด อันนั้นคือธรรมะที่เราจะต้องเห็นเหมือนกันอย่าเมื่อกี้เนี่ยผมเข้ามาก็มีคนถามว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเห็นกายแล้วมันก็มีเรื่องของกายมากมายมีเวทนามีความคันเราจะดูอะไรดีบางทีมันก็มีความคิด เ, เราจะมีสติดูตรงไหนภาะวะอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะที่ชักมั่วแนละ้วมีหลายอารมณ์ที่จริงทุกอารมณ์เนี่ยเราดูได้ทั้งหมดเลย เรา material, รู้ได้ทั้งหมดเลยกายเคลื่อนไหวก็ได้หรือเป็นความปวดความคันก็ดูได้หรือเป็นความคิดปรุงแต่งรู้ได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราสังเกตดูว่าถ้าเรารู้รวมๆเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านมาที่เน็ดเหนื่อยให้เรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนตรงนั้นถ้าความคิดช <than that. S 1> ัดก็รู้ที่ความคิดถ้ากายชัดก็รู้ที่กายถ้าทุกขเวทนาชัดก็รู้ที่ทุกขเวทนาถ้าเสียงมันดังชัดก็รู้ที่เสียง คือรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใดที่หนึ่งแค่เพียงรู้เฉยแต่ถ้ามันมั่วมันจะรู้อะไรแล้วก็กลับมารู้กายเคลื่อนไหวนี่ปลอดภัยกว่าพอรู้กายไปานานๆเนี่ยมันจะเห็นจิตใจที่มันคิดนึกนะทีนี้ว่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมมาในการดูกายนี่ก็คือความคิดนึกความคิดนึกเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมก็รู้ได้ธรรมะทั้งหลายเนี่ยสรุปลงที่จิตใจ ถ้าเกิดความคิดก็รู้ที่ความคิดรู้ได้รู้แล้วก็ปล่อยคิดอีกก็รู้อีกถ้ามันไม่คิดก็กลับมารู้กายเคลื่อนไหวไปเรือ่อยๆอย่าไปรอดูความคิดนะเมื่อไหร่มันจะคิดแล้วปล่อยใจใิตปัจจยเลื่อยลอยก็กลับมาดูกายเป็นการสร้างความเพียงกับกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆมีอยู่เพียงอย่างเดียวนะแค่คอยรู้กายเคลื่อนไหวถ้ามีความคิดก็รู้ที่ความคิดเท่านั้นเอง ถ้ามันรู้จะรู้อะไรก็กลับมาเคลื่อนไหวเจตนาเคลื่อนไหวบ้างเจตนายกมือเจตนาให้มันชัดชัดบ้างในบางครั้งถ้าจิตมันชักมั่วมวเนี่ยการปฏิบัตินี่มีอยู่เพียงแค่เนี้ยคนไหนที่ดูกายชำนาญแล้วอยากจะไปรู้จิตก็รู้ได้รู้จิตี่ต้องรู้เรื่อยๆนะรู้เรื่อยๆรู้เป็นปัจจุบันอย่างเช่นเวลามันคิดอ่ะเรามีสติรู้ถ้ามันเผลอโกรธก็ต้องรู้ตามตั ว, ตตวโกรธ้วยนะ บางคนปฏิบัติไปนี่ไม่อยากให้มันคิดพอมันคิดปับ๊บโกรธเอต้องรู้ให้ทันแม้แต่ความโกรธเกิดขึ้นต้องรู้ให้ทันเพราะความโกรธเนี่ยเป็นปัจจุบันกว่าบางคนต้องการความสงบแต่พอปฏิบัติไปนี่มันเกิดความสงบโมมีสติรู้ในความสงบแต่มันเกิดความพอใจในความสงบแต่ลืมเผลอเผลอพอใจเข้าไปขาดสติ พรานั้นต้องรู้ให้ทันรู้ให้ต่อเนื่องเมื่อเกิดสงบก็รู้พอใจในควาสงบก็รู้นักปฏิบัติที่ดูจิตชำนาญเนี่ยอย่าลืมดูตรงที่จิตที่มันคิดจะแก้ไขจิตที่คิดจะแก้ปัญหาเช่นมันเกิดความง่วงขึ้นมาเนี่ยมีไม้ยความง่วงเห็นความง่วงเราได้สติแล้วอย่าลืมเห็นจิตที่คิดจะไปแก้ไขความง่วงนะด้วยอันนั้นเป็นปัจจุบันกว่าดูให้ทันตรงนั้น มันจะฉลาดขึ้นบางทีเราไปเพ่งเนี่ยอยากให้มันหายไปบังคับต้องรู้ให้ทันมันไอจิตที่คิดจะไปแก้ไขมันนะ่ะนี่จะเกิดปัญญาตรงนี้นะอีกช่วงระหว่างที่ว่าคิดจะไปแก้ไขนี่เห็นจิตแล้วไอเ น, นี้ยคือคนที่จะดูจิตนะแต่ถ้าดูจิตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มาดูกายเคลื่อนไหวไปก่อนการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยความหมายก็หมายถึงว่าให้มีสติท่านั้นเอง ไม่ใช่ทําอย่างอื่นเลยการเจรติเพื่อให้มีสติไม่ใช่สิ่งอื่นแค่มีสติรู้ว่ากายเกิดอะไรขึ้นจิตมันคิดรู้ก็ใช้ได้ใ่ไหแค่มีสติอย่างเดียวเท่านั้นอาวุธอย่างเดียวคือให้มีสติกับเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของจิตมีประโยชน์นะสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตแบบขาดสติเนี่ยเรียนหนังสือก็ไม่เก่งเวลาครูสอนจิตใจก็เลื่อนลอย อันนี้เพราะขาดสติเพราะขาดสติสมาธิมันก็ไม่เกิดถ้าเรามีสติเนี่ยเรียนหนังสือก็เรียนเกง่งเวลาครูสอนก็จําได้ไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมคนที่ขี้ลืมเนี่ยเพราะขาดสติคนที่ทําอะไรได้ไม่นานนี่หน่อยเลิกแล้วอันนี้ขาดสมาธิขาดสติเขาเรียกคนสมาธิสั้นเพราะขาดสติพอมีสติขึ้นมาเดี๋ยวสมาธิก็เกิดขึ้นสติคือความรเลึกได้คนที่ขี้ลืม พอมีสติมันก็จะระลึกได้คนที่จิตใจเลื่อนลอยพอมีสติมันก็เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นได้เหมือนกันคนที่เป็นนักกีฬานี่ก็สําคัญนะนักกีฬาที่ขาดสติขาดสมาธินี่จะเล่นได้ไม่ดีเพราะว่าอะไรพอลงสนามแล้วเกิดความประมาทขาดสติแล้วพอประมาทปั๊บก็เล่นได้ผิดฟอ้องผมเคยเป็นนักกีฬามาก่อนสมัยก่อนเล่นกีฬาอะไรแพ้ทุกทีพอลงสนามนี่ขาดความมั่นใจ ถ้าตอนนี้นะให้ไปแข่งนะโอ้ไม่แพ้แล้วมีความมั่นใจในการเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักกีฬาจะเป็นนักเรียนนต้องอาศัยตัวสตินะจะเล่นกีฬาได้เก่งไม่ประมาวบางทีเดาใจคู่ต่อสู้ได้มีสติแล้วรู้จิตคนอื่นได้นะจิตเราก็รู้จิตค น, นก็รู้ใครจะมาไม้ไหนเนี่ยรู้เนี่ยเข้าใจมเพราะนั้นอยากจะให้จริธรรมเนี่ยไม่ต้องไปรู้อะไรมาก ไม่ต้องไปอยากได้ปัญญาไม่ต้องไปอยากดับทุกข์อย่าเพิ่งไปอยากอย่างนั้นก่อนจิตมันจะฟุง้งซ่านเพียงแต่เราจะเราสติให้เป็นทําให้เป็นก่อนรู้สึกตัวให้เป็นทําให้ชํานาญจะได้เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเอามาปฏิบัติเพื่อนําไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันแค่มีสติเนี่ยแก้ปัญหาได้นะผมเองนี่มีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันเนี่ย ก็เพราะว่าสติแต่เดียวอาศัยสติอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกวันปัญหาของผมเนี่ยมีมากผู้เองเป็นคนที่ไม่มีงานทำนะออกจากราชการก็ออกจากงานมาก็ไม่มีงานทาเป็นคนที่ว่างงานเพราะร่างกายมันว่างงานเนี่ยใจมันไม่ค่อยว่างนะใจมันก็คิดคนเรานี่บอกว่าอ้อมีความสุขกับการทางาน ทำไมทํางานจึงมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าทํางานแล้วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านจิตใจก็อยู่กับงานใช่ไหมคนามอยู่เฉยๆเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านคิดมากแต่ถ้าคนอยู่เฉยๆแล้วอยู่ได้อย่างมีความสุขเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะคนเข้าฌานเข้าสมาธิเนี่ยจะมีความสุขคนนี้อยู่เฉยๆแล้วมีความสุขได้แต่ว่าถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่เฉยเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยพราเองแต่ก่อนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจธรรมะ ชีวิตก็นอนอยู่เฉยอยู่บนเตียงนอนคิดฟุ้งซ่านโอ้ทุกข์มากเลยแต่พอมาเติมสติมาฝึกทําความรู้สึกตัวเนี่ยนอนพลิกมือเล่นนอนใช้ชีวิตอย่างมีสติจะพลิกตัวจะอาบน้ําจะดื่มน้ําทานข้าวนั่งนั่งนอน น, อ, นอยู่แค่นี้แล้วก็มีสติอยู่เนี่ยทำให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันชีวิตมีปัจจุบันแล้วมีงานทําไม่เบือ่อไม่เต็งคือการทํางานท่านั้นจิตใจ งานทางกายต้องเคลื่อนไหวไปทำแต่งานทางจิตนี่ไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ทำได้นะแค่รู้สึกตัวแต่าสายการขยับนิ้วมือขยับข้อมือก็ทำให้มีสติให้อยู่กับปัจจุบันไอ้ความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันหน้าตายังไงจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมีงานทางจิตทำจิตใจก็ไม่เครียดก็มีแต่ความผ่อนคลายก็นอนหลับสบายเห็นหแค่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมัน ลายความเครียดความเบื่อไปได้เลยเนสภาพอย่างเนี้ยร่างกายที่วิการอย่างเนี้ยมีแต่ทุกขเวทนามากเนี่ยผมนี่มีความทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนามากคุณหมอก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามีสติมีความรู้สึกตัวรักษาจิตไม่ต้องเป็นทุกข์ประร่างกายถ้าผมขาดสติเนี่ยจิตใจมันก็เข้าไปจมแช่อยู่กับความทุกข์ทางกาย หลงแบกคิดว่าไอ้กายนี่เป็นเราเป็นตัวเราไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจเลยแต่พอมาฝึกจะรู้สติมาทางความรู้สึกตัวเนี่ยจิตมีสติคอยรักษามันแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามทุกข์ของกายเป็นเรื่องของกายใจไม่เกี่ยวใจมีสติคอยคุ้มครองรักษาไว้แล้วจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยมันแยกจิตออกจากกาย แต่ไปแล้วยากไปไหนนะอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอาศัยกันอยู่แต่ว่าทำงานคนละหน้าที่กันจิตมาอยู่กับความรู้สึกตัวไม่อยู่กับสติกายก็อยู่กับความทุกข์ไปเห็นไหมมันไปคนละเรื่องนี้อันนี้แค่ป่วยไข้นะถ้ามันจะตายร่างกายมันก็ตายไปจิตใจไม่ต้องไปทุกข์กับความตายมีอุปการะคุณกระทั่งป่วยไข้กระทั่งตายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดใครจะคิดมากเท่าผม กลางวันคิดกลางคืนฝันชีวิตไม่ได้พักผ่อนเลยความคิดมันกวนจิตกวนใจทุกวี่ทุกวันเวลากินก็คิดเวลานอนก็คิดเวลาคิดทุกครั้งก็เครียดทุกมากเพราะความคิดมันเบียดเบียนแต่พอมาฝึกสติมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันตัดความคิดคุ้มกําเนิดความคิดไม่เกิดเลยไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดนะก็เกิดแต่จิตมันหลุดออกมาจากความคิดได้ เพรอยู่ความสึกตัวจิตไม่เกิดกับความคิดก็แล้วกันจิตมันคอยรู้เวลามันคิดขึ้นมาพอรู้ความคิดบ่อยๆความคิดก็ไม่อยากเกิดแล้วแยกจิตออกจากความคิดได้ไม่ใช่คิดแยกแค่เพียงทำความรู้สึกตัวไปกั้นกลางระหว่างจิตกับความคิดเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเกราะกาบังจิตไม่ให้ความคิดเข้ามาปรุงแต่งก็เห็นความคิดมันผ่านมาข้างหน้า ไอ้พวนี้เหมืนแขกหน้าเก่าๆมาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็ทักทายรู้ไว้และแขกก็ผ่านไปพอเราไม่ได้ต้อนรับให้เข้าบ้านเราแค่เปิดประตูดูอ๋อนี่แขกมาแล้วและแขกก็ผ่านไปแขกคือความคิดที่มันมปรุงแต่งหน้าเก่าๆเดินๆเท่นั้นมาทําให้เรารักมาทําให้เราโกรธมาทําให้เราเบือ่อจิตใจมีสติคอยดูแลไว้เห็นแขกแต่ว่าไม่ต้อนรับให้เข้าบ้านเราแค่มีสติเท่านั้นน่ะ ไม่ต้องเป็นทุกข์กับกายที่พิการไม่ต้องเป็นทุกเพราะความคิดที่มาปรุงแต่งแต่ก็มีความคิดนะต่อมาก็มีแต่ความคิดดีๆที่เป็นกุศลที่เป็นบุญคิดแล้วมีความสุขทั้งนั้นเลยแต่ก่อนที่ไม่มีสติคิดแล้วก็เป็นทุกข์แต่ต่อมาพอมีสติเนี่ยความคิดมันเป็นระเบียบก็เป็นความคิดที่เป็นกุศลก็แค่รู้ไว้เราไม่สามารถจะเลือกความคิดได้ ทุกคนอยากคิดดีใช่ไหมความคิดดีดไม่ชอบแต่เราเลือกไม่ได้หรอกถ้ามีเหตุปัจจัยของความคิดดีก็มีถ้ามีเหตุปัจจัยของความคิดไม่ดีมันก็มีแล้วแต่เหตุปัจจัยเราห้ามความคิดไม่ได้แต่เราสามารถมีสติรู้ทันความคิดได้แยกกิจออกจากความคิดแยกกิจออกจากร่างกายแยกรูปแยกนามไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะเพียงแต่สร้าง ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องมือวันนั้นเมื่อจิตมีสติรักษามีปัญญาเป็นเครื่องปล่อยวางทุกมันก็ไม่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจแม้ร่างกายพิการเนี่ยพิการไปตลอดชีวิตแต่ใจไม่ต้องเป็นทุกข์กับความพิการของร่างกายไม่ต้องทเพื่อความคิดทุกวันเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจคิดขี้เกียจคิดแต่ไม่ได้ขี้เกียจรู้สึกตัวนะขี้เกียจคิดมันง่ายที่จะไม่คิดมันยากที่จะคิดขึ้นมาเนี่ยโอ๋อ คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้จิตมันเป็นอิสระผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรเอ่ยนะนอกจากนอนทําความรู้สึกตัวรู้เฉยๆจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยมันเหมือนใบบัวเหมือนใบบัวนะความคิดหรืออารมณ์ต่างๆเหมือนน้าเห็นไหมน้ํากับใบบัวเนี่ยมันถูกกันแต่มันไม่ซึมก็าหากันเพราะจิตมันรู้เฉยๆกายเคลื่อนไหวก็รู้แล้วก็ผ่านไปทุกขเวทนามาก็รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้าไม่ผ่าน ให้มีสติรู้แล้วก็แก้ไขทุกทางกายกายปวดเมื่อยก็รู้แล้วก็แก้ไขไปแต่รู้ก่อนแล้วกแก้ไข ย, ยังไม่สติจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์มันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็รู้แล้วปล่อยมันผ่านไปเรื่องของกายต้องแก้ไขมันหน่อยอย่างมีสติไม่ต้องเป็นทุกข์ส่วนเรื่องของจิตไม่ต้องไปแก้ไขปล่อยวามันซะพอเห็นมันเราก็ด<ๆ>ับแล้วถ้ามันไม่ดับเอากลับมารู้กายเคลื่อนไหวซะจิตเป็นเรื่องของกิเลส ผมทำเพียงแค่รู้เฉยๆเหมือนใบบัวที่รอรับ น, าน้าแล้วก็ผ่านถ้าเรารู้แล้วพยายามไปกระจัดไปแก้ไขอยากให้เป็นอย่างน้นอยากให้เป็นนี้อยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดใจเราไม่เหมือนใบบัวนะใจจะเหมือนกระดาษทิชชู่เวลาน้ำหยดมามันก็ซึมซับกระดาษทิชชู่ก็เปื่อยยุ <c oughs> ย่ยไปใช่ไหมนักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรสร้างความรู้สึกตัวเฉยๆรู้เฉยๆ รู้เล่นๆรู้แบบผ่อนคลายรู้แบบดูๆแยกๆปล่อยๆว่างๆแบบไม่ต้องการอะไรขอแค่รู้เฉยๆท่านทำได้ไหมที่สุดของความรู้เฉยเนี่ยบรรลุธรรมนิพพานเลยนะเพราะฉะนั้นจะได้ทํามาวันเนี้ยมาที่นี่เนี่ยถือวาเป็นโอกาสดีแล้วเรามาสร้างสติจเจริญสติให้เป็นทําให้เป็นซะก่อนทําให้เป็นเพื่อจะนําเอาไปใช้แก้ปัญหา บางคนว่าปฏิบัติแล้วแก้ปัญหาเรามีความสุขไหมมีถ้าหมดปัญหาเนี่ยมันก็มีความสุขเกิดขึ้นมาแทรกเพราะเราหาความสุขไม่ได้นี่แหละเพราะเรามีปัญหาจึงหาความสุขไม่ได้แต่หมดปัญหาทั้งจิตใจเมื่อไหร่แล้วก็ความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่มาอยู่ที่พุทธมนฑนที่หอฉันอย่างนี้เราก็มาทําตรงเนี้มาสร้างสติมาขยันมาเจริญเพื่อให้มีสติให้มีความรู้ตัวเป็นที่พึ่งของเรา เอาเวทีของหอฉันนี่แหละมาเป็นสนามในการฝึกสติเพราะว่าอารมณ์ที่มีมากมายอยู่ที่นี่เรามีอารมณ์มากมายสรุปลงอยู่สองอย่างคือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอย่าไปปฏิเสธมันพอใจเราก็รู้ไม่พอใจก็เราก็รู้ทุกอย่างเป็นเครื่องสอบอารมณ์ทั้งนั้นไปที่ปฏิบัติไปที่ฝึกสติด้ทั้งนั้นเลยนั่นอย่าปฏิเสธเห็นไหมผมเองก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ อยู่กับการเจริญสตินี่แหละร่างกายพิการตลอดชีวิตแล้วจิตใจเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าผมไม่มีความรู้สึกตัวเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ฆ่าตัวตายก็เป็นโรคประสาทไม่มีชีวิตยืนยาวได้ถึงปัจจุบันนี้หรอกก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนั้นพวกเราเนี่ยทาได้ทุกคนการกระทําก็ไม่ยากเพียงแต่อาศัยความขยันที่จ ะ, จะเจริญสติอยู่ให้ต่อเนื่องแล้วความอดทนไม่ทอ้อแท้ อุปสรรคทั้งหลายสร้างเหตุคือขยันอดทนและไม่ท้อแท้ผลคืออะไรคือความไม่มีทุกข์เป็นรางวัลนะ